6.3 สิ่งภายนอกสร้างปัญหาให้เราได้แต่จิตเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองวงเล็บเปิด3มีนาคม2551ในวงเล็บ2จุดจุดนาที19วงเล็บปิดใจที่มันไม่ไปเกาะที่อะไรไม่เดือดร้อนเสียงดังแค่ไหนก็ไม่เดือดร้อนผู้หญิงสวยหรือไม่สวยไม่สนใจใจเฉยเฉยใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเราเลยรู้ว่าจริงๆโลกภายนอกมันทําความทุกข์ให้เราไม่ได้หรอก สิ่งภายนอกมันสร้างปัญหาให้เราได้แต่จิตเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองอย่างสมมติว่าเราเจอเสียงหนวกหูเราไม่ชอบอยากให้เงียบแต่เสียงมันไม่เงียบอย่างที่เราอยากเราก็โมโหแล้วจิตใจมีความทุกข์หรือเราป่วยเราไม่สบายเราอยากให้หายร่างกายมันไม่หายตามใจชอบเราก็มีความทุกข์เราไปอยากอะไรที่ไร้เดียงสาขึ้นมาเรื่อยก็ทุกข์สิแต่ถ้าเราไม่มีความอยากนะเรารู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นเช่น เราไม่สบายรู้วไม่สบายนะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายมันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาของมันมันต้องป่วยใจไม่หวั่นไหวนะใจไม่เป็นทุกข์ไปด้วยป่วยแต่ร่างกายจริงๆแล้วคนอื่นหรือโลกภายนอกทําร้ายเราได้แค่มันสร้างปัญหาให้เราเท่านั้นแต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาแผดเผาตัวเองด้วยความอยากฉะนั้นให้เรารู้ทันสภาวะใดๆปรากฏให้รู้ลูกเดียวเลยถ้าเมื่อใดใจมีความยินดีนร้ายขึ้นมามีความอยากขึ้นมา ใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นนะแล้วก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวอยู่สบายเงียบๆมีความสุขอยู่อย่างนี้ดีที่สุดแต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันกระเพื่อมหวัน่นไหวขึ้นมาก็ไม่ว่ามันมันเป็นธรรมดาของมันยังมีกิเลสอยู่ยังกระเพื่มอยู่ก็เห็นว่าเออธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดเวลาถ้าเมื่อใดเราเห็นความเป็นธรม ร, มนธรมดาของเขาและความเป็นธรรมดาของเขา เราก็จะไม่ดิ้นรนเมื่อหมดความดิ้นรนในจิตใจจิตใจก็พ้นจากความทุกข์เมื่อ น, นั้นแหละใจดิ้นรนก็คือใจปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติมีพบมีชาติมีตัวมีตนถ้ามีทุกข์ขึ้นมาใจรู้สภาวะที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สภาวะแล้วจิตเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายหรือยินดียินร้ายก็รู้ทันจิตไม่ถูกความยินดียินร้ายครอบงำก็คือไม่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองเพราะยินดีก็ราคาครอบงำ ยินร้ายก็โทระครอบงำเรารู้ทันจิตไม่ถูกครอบงำจิตเป็นอิสระอะไรเกิดขึ้นก็ได้ตามองเห็นอันนี้ก็มีความสุขเห็นคนถูกรถทับกลางถนนเละเทะเลยเดิมเห็นแล้วสยดสยองเดี๋ยวนี้เห็นก็แค่เกิดทำมาสังเวชไม่สยดสยองมีใครมาด่า ก, ก็เฉยเฉยเหมือนลมพัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าเท่านั้นเองก็เฉยเฉยใจเกิดสงบสันติอยู่ใจเราไม่ออกไปรับเสียอย่างเดียวนะ ความทุกข์มันมากระทบไม่ได้หรอกความทุกข์มันกระทบเข้ามาได้เพราะเรายื่นจมูกออกไปให้เขาชกเองนะจิตของเรานี่แหละหลงออกไปให้ความทุกข์มันมาย่ำยีเองฉะนั้นคอยรู้สึกเอานะง่ายจริงๆ